อนาปติวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ152 1. ิภิกษุให้อุเทศ 2. ภิกษุให้ปริปุชฉา 3. าภิกษุที่ภิกษุณีกล่าวขอว่านิมนต์พระคุณเจ้าสวดเถิดสวดอยู่ 4. ภิกษุถามปัญหา 5. ภิกษุถามปัญหาแล้วตอบปัญหา 6. ภิกษุสั่งสอนผู้อื่นแต่มีภิกษุณีฟังอยู่ด้วย7ภิกษุสั่งสอนศิกขามานา 8. ภิกษุสังสอนสำเนรี 9. ภิกษุวิกลจริต 10. ภิกษุต้นมัญญิโอวาตสิกขาบทที่หนึ่งจบ